การทําบุญหรือสวดมนต์เราอธิษฐานจิตถึงอืมการทําอืมก็นะถ้าอืม อนุสิบุญกุศลพุทธเจ้าก็มาจะตัดว่าให้กับผู้ตายแต่ถ้าแผ่คืออะไรอัตถานะคืออะไรพุทธเจ้าก็ <c oughs> ถ้าเขาเขาถ้าเข้าไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ที่อยู่ทิศไปไม่ได้ นางสโรณีฟรามก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้า นะต้องมีสักคนนึงล่ะนะและอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอก็ได้ก็ละๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะของเรายังมีอยู่เลยของเรายังมีอยู่เลยจึงต้องละของ คำกล่าวนี้จะเชื่อได้หรือไม่ครับไม่มีในภุทธวจนะแน่คือโสดาบันจะไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์นางไม้และ 2 กรรม และอย่างที่ 3 ทั้งผู้อื่นและตนเองแล 4 กรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆพุทธเจ้าบอกกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะผู้ <c oughs> สาวกไม่มีสิทธิ์พูดขัดกับพระพุทธเจ้าและไม่มีสิทธิ์เติม ก็จะทําให้เกิดอะไรเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างพรหมเทวดากับเรานะแต่นั้น แต่พอถูกลากพามาไม่ได้มาเพราะศรัทธาพุทธเจ้าสามารถแผ่เมตตาให้เขามาฟังธรรมกับพุทธเจ้าโดยตรงได้มั้ยพุทธเจ้าบอกได้แต่พุทธเจ้าสามารถทํากับคนทั่วโลกได้มั้ยก็ไม่ได้เห็นมั้ยนั้นก็ทําได้ระดับ 1 แตเท่าในเบื้องต้น เออมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายแล้วพาไปได้นี่พาไปได้ครึ่งโลกมั้ยหรือว่า 1 ใน 3 ของโลกพุทธเจ้านิ่งไม่ตอบเพราะพุทธเจ้าก็ แต่คิดว่าผู้มีธุลีในเพราะเหตุนั้นๆต้องใช้ความเพียร นั้นพวกถูกพวก